ไม่ใช่พอเขาจะยกย่องเชิดชูบูชานะเขาจะพูดอย่างนั้นขึ้นมาในใจเขาก็ไม่รู้ลูกหลานคนนั้นสิงเหล่านี้เราที่เป็นตนเรื่องเราต้องคิดหลายหลายหลายหลายมุมไปได้หรือไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้จะไปทาไมให้คนอื่นเขาไปซะโลกนียไม่ใช่โลกของเราคนเดียวมันหลายคน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 เนี่ยและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมของธรรสอนของพระพุทธเจ้าธรรมธรรมที่มีอุปการะมากอา่าก็ว่าธรรมที่มีอุปอุปการะมากหรือวการประพฤติหรวอการปฏิบัติอ่าหรือว่าการเป็นอยู่ที่มีอุปการะมากที่สุดในแนวแถวของพุทธะเนี่ยท่านว่ามีอยู่สองอย่างสติ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 ยอกว่าเป็นธรรมที่มีอุปกระ์มากถ้าใคมีสติอยู่กับตนเองแล้วอยู่นสถานที่ใดดีไปหมดถ้าคนขาดสติอยู่นสถานที่ใดนั่นะคนขาดสติคนเผลอสติไม่ดีทางนั้นเพราะนันก่อนที่จะมีสติจุดนั้นที่จะมีสติสัมปะชัญญะจุดนั้นเนี่ย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 ถ้าว่าคนที่ขาดสติไม่มีสติแล้วหมดสภาพในคนคนนั้นอถ้าว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ไปถึงจุดหนึ่งเป็นบ้าจ้ะขาดสติคนนั้นก็หมดสภาพอีกในช่วงนั้นช่วงที่มันขาดสตินั้นเพราะฉนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะคํานี้เนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่เรามาพิจารณาการกรองไตรตรองึบสังเกตดูดูเอ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 ตัวพระพุทธเจ้าเองท่านก็อยู่ในเวียงวังท่านก็เห็นปู่ย่าตายทวดของพระ อ, องค์พระอัยกงอัยกาของพระ อ, องค์ล้มหายตายจากไปมีแต่ทิ้งบ้านทิ้งเหมืองทิ้งมรดทั้งที่ท่านรักแสนรักแต่ก่อนท่านมาใกล้ใครมาใกล้เองไม่อยท่านหวงท่านห้ามท่านแหนผลในสุดก็น่นนะทิ้งไปหมดเราจะไม่ทิ้งอย่างนั้นหรอ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 เหมือนกับสัตว์เท่านั้นเลอเราไม่มีหางอย่างอื่นเรามีเหมือนกันกับสัตว์ระจักรทั้งหลายอามีมากมีน้อยต่างกันนี่แหละคือร่างกายของสัตว์ประจักรร่างกายของมนุษย์แต่แต่ตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันถ้าหว่าหมดสภาพเอามัน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 คนนั้น เ, เขาก็อยู่ได้เป็นทางที่ดีถ้าเรียกเลือกเอาทางชั่ ว, ลวเลยอ่ก็มันผิดกฎหมายรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายระดับไหน อ, อ่ผิดกฎหมายเล็กน้อยแล้วก็ไปขโมยของเล็กๆเดือน้อยเขาก็ไปขังคุก อ, อ่เดือนสองสามเดือน อ, อ่ปีสองสามปีเอ่าทำมากกว่านั้นกันอ่าไปทําให้มันใหญ่ขึ้น อ, อ่ขายายาบ่งยาม้ายาบ้าเข้าไปเป็นหมื่นเป็นแสนเม็ดโทษมันก็หนักขึ้น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 แยกแยะในจิตในใจนั่นแหะหลักของพุทธศาสนาเพราะฉนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดมากหลากหลายกับพวกเราททั้งหลายให้เป็นผู้สังเกตนะแนะนำให้สังเกตให้คิดอดูที่หลวงพ่อพูดสรุปแล้วก็คืออย่าลืมตัวชีวิตในตายแน่แน่ให้ประกอบพุนงามความดีมรรคผลนิพพานมีจริง